พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14พฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่ากรรมข้ามทองอาลูกหลานอยู่ในความสงบหยุดนิ่งไว้ก่อน อย่าเพิ่งทำอะไรหลวงพ่อพูดจบแล้วยังถ้อยทำงานต่อวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14พฤจิกายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน12เป็นวันเดือน12เพนวันนี้เป็นวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศชาติ ประกาศว่ามีการลอยกระทงแล้วก็หลวงพ่อเองอยากจะแจ้งข่าวพวกลูกหลานคณะทศธาญาติโยมที่มาวัดก็อยากคงจะอยากจะทราบเพราะหลวงพ่อประกาศไปครั้งหนึ่งแล้วละ่ะเมื่อวันที่11เอเมื่อรู้ผลว่าความเสียหายที่น้ำท่วมในวัดของเรา เ, เป็นเท่าไหรเ่เสียหายอะไรบ้าง หลวงพ่อประกาศไปครั้งหนึ่งแล้วแต่วันนี้เป็นวันพระคณะสัททาญาติโยมลูกหลานที่เข้ามาสู่วัดขององอยากจะทราบหลวงพ่อคงจะประกาศอีกเป็นครั้งที่สองคือน้ำท่วมที่วัดของเราตั้งแต่คืนวันที่8ปดยี่สิบสองนาฬิกาของวันที่ -8 แต่กวัดเป็นเห็นผลจริงก็คือวันที่9วันที่เก้าพฤศจิกา 5-9 เป็นวันที่น้ำท่วมอย่างขนาดหนักอันฝนตกเนื่องมาจากวันที่คืนวันที่8ประมาณ4ทุ่มจนถึงตี4วันที่9ก็ทำให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่เสียหายแต่เฉพาะวัดเราอำเภอนามโสมนายูงรู้สึกว่าเสียหายเป็นวงกว้างที่เดียว2 อ, อำเภอ แต่ว่าในวัดของเราก็ เ, าเป็นลักษณะคอคอดอที่น้ำมันจะไหลลงมาจากเขามาผ่านวัดของเราก่อนอแล้วมันจึงจะตกน้ำโสมแล้วก็จะตกน้ำโขงต่อไปอวัดของเราเป็นวัดที่รวมน้ำเป็นวัดคอคอดที่ที่น้ำจะเข้าวัดของเราเพราะนั้นจึงเกิดความเสียหายพอสมควร แต่ว่าเสนาชนะสงหรือว่ากุติของพระไม่มีอะไรเสียหายเสียหายแต่ในริมคลองเราก็รู้อยู่แล้วก่อนที่จะปลูกอะไรในริมคลองเราก็ได้คิดไว้ก่อนเหมือนกันเพราะนั้นจึงไม่มีความเสียหายเสียหายแต่พวกวัชพืชที่เราปลูกใหม่ต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยที่เราปลูกขึ้นมาใหม่ที่ว่า ที่หลวงพ่อเคยประกาศไปสามสหไร่ที่เรารักษาที่ต้นไผ่ไผ่ตายขุไยไผ่ที่มันตายแล้วกนะ็ปราบต้นไผ่ที่มันตายแล้วมาปลูกต้นไม้เนี่ยแหละต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยเหล่านั้นแหละที่มันล้มนในระนาดแต่ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่มีไม่มีเสียหายเท่าไหร่มีมากมีบ้า ง, างก็ไม่มากนะแต่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่เนี่เสียหายมากนะนักแต่ายยอญาติโยมลูกหลาน ไม่ว่ายาบไม่อนะไรเออเป็นทางไปเลยว่าน้ำมันแรงนะแต่ว่าความเสียหายแหมเรื่องเสนาชนะถึงที่พักของพระสงฆ์ไม่มีมีแต่เรื่องกำแพงกับถนนถนนที่ไปมาหาสู่กันในวัดขาดนะเนี่ยหลวงพ่อจะแจ้งให้ทราบว่าเนี่ยกำแพงล้มกาแพงล้มนะ อ, อ, อ, อ้ข้าวามันน้ำกระแทกมันล้ม ร้อยสิบเมตรกำแพงนะร้อยสิบเมตรน้ํามุดกําแพงน้ํามุดใต้ใต้กําแพงทํามันมุดเไม่นา น, านกําแพงก็มีโอกาสโค่นเหมือนกันระหว่างน้ํามุดกําแพงเก้าสิบสี่เมตรถนนขาดอถนนขาดไปมหาสู่มันขาดห้าสิบเจ็ดเมตรเนี่ยแหละตอนนี้ทาง สุดหน่วยราชการหลายๆ ห, หน่วยก็เข้ามาดูทั้งโยธาทั้งเมื่อวานกันมีทางทางหลวงมาจากนู่นมาจากขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่มั้งมาดูหลวงพ่อก็ให้มาดูให้จันจันหน่อยพานําไปดูให้เขาช่วยวางแผนจากนั้นก็พาไปดูที่วัดป่านาแคทางถนนขึ้นวัดป่านาแคร์ก่อนสะพานยุบเหมือนกัน ตัวนั้นก็เข้าออกไม่ได้เดียเ๋ยวนี้รถเข้าออกไม่ได้เพราะว่าสะพานมันเาสากลางมันสดนะเนี่ยก็ให้เมื่อวานก็ให้ไปดูที่นั้นด้วยนะแล้วก็วันนี้ทราบว่ า, าท่านผู้ว่าได้สั่งให้หน่วยราชการทั้งกรมชนประทานทั้งทางหลวง ทั้งโยธาแหมหวงเข้ามาดูว่าความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นไอ้พระกูบาทั้งหลายช่วยๆกันดูๆเนะแต่ถ้าส่วนราชการเข้ามากันนะแนะนําแล้วก็เอาเนี่ยเอกสารเนี่ ย, ย, ยให้มอบให้ถ้าหากว่าท่านอยากจะดูพาไปดูกพาไปดูที่ความเสียหายนั่นแหละมันมียังไงก็เราก็พูดอย่างนั้นแหละ อันนี้ะคือความเสียหายภายในวัดเนอะคณะสัตายาธิโจมแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ร้อน อ, อกร้อนใจเราเพราะเป็นด้านวัตถุแต่เมื่อวานนี่ก็เด็กท่านนอยก็ให้พวกเด็กทั้งหลายไปทุบกําแพงที่มันล้มทับถนนที่มันไปไม่ได้ที่มันลบทุบที่ทางรับขันที่มันทุบก ล้มทับทางถน น, ท, นที่สะพานคอที่สะพานอันนี้เขาไปทุบระมวานกอคงจะคงจะเดินไปได้ในช่วงนั้นนะแต่ส่วนอื่นก็คงจะใช้เวลายาวนานพอสมควรต่อไปกนะ็คงจะเรียกประชมุม ร่วมเข้ามามาร่วมประชุมหาหารือหาทางออกว่าปิธีเราจะแก้ไขยังไงเราจะทำยังไงต่อไปภายภาคหน้าคงจะใช้แต่เราที่ความเสียหายซึ่งซึ่งหน้านะ่ไม่มีนะซึ่งหน้าคล้ายๆกับว่าน้ำท่วมบังการเป็นอยู่ของเราเดือดร้อน เ, ออเสียหายในการ เรื่องอาหารการบริโภคเรื่องปัจจัยที่เราจะได้ใช้ในครัวนะอันนี้พวกเราคิดว่าไม่มีเพราะว่าน้ําไม่ท่วมจุดของเราแต่มันท่วมเสียหายแต่เฉพาะทางด้านวัตถุสิ่งกอ่อสร้างสิ่งปลูกสร้างคือกําแพงกับถนนถนนเท่านั้นแหละเสียหายนอกนั้นไม่มีนะเพราะนั้นเราจึงไม่เดือดร้อนถว่ายส่วนรัศการที่จะมาช่วย งานก็ให้ไปช่วยนะชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนที่น้ําพัดพาหลังคาบ้านของเขาเสียหาย น, ะนั่นแหละจะเป็นหน่วยไหนก็าตามก็ขอให้ไปช่วยช่วยลูกหลานเหล่านั้นนะแต่วัดของเราเนะี่ยคงจะเป็นวางแผนระยะยาวจะต้องคิดแะวางแผนว่าจะหาทุนยังไงที่จะมาสร้างทางงํากําแพงหรือถนนตาผู้ที่มาเห็นจะรู้นะถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้แนละ้วก็ คงวาดมโนภาพจะเสียหายหายมากน้อยขนาดไหนแต่พาท่านผู้ว่าพาท่านผู้ว่าให้หมวดติดพาท่านผู้ว่าไปดูที่มันน้ำกัดขาดถนนนะ่ะท่านที่แรกท่านก็ว่าคงจะใช้บกหินลูกรังไปถมถมนะแต่พอท่านไปเหตุโธนะ่ไม่ใช่หน้าที่ของจังหวัดแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทางหลวงตกอกรมโยธานะย ต้องมาต้องมาทำ น, ะนั่นแหละถ้ามาเห็นแล้วก็จะรู้ได้ว่าความเสียหายในวัดของเราก็อย่างที่นี่แหละแต่ถ้งยังไงหลวงพ่อเองก็ยังย้ำแล้วพูดอีกว่าก็ไม่มีไม่ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรทามันทำได้ขนาดไหนก็ทำได้ขนาดนั้นแหละพอหลวงพ่ออายุถึงขนาดนี้แล้วแปดิบกว่าแล้วลูกหลานอายุ7จดสปีแล้วหมดโอกาสที่จะไปหาคิดสร้าง ให้ลูกหลานดูผลงานของลูกหลานเท่านั้นนะให้ลูกหลานให้ลูกหลานปล่อยลูกหลานคิดดูเจ๊ข้ามลูกหลานทําไปได้ดีหลวงพ่ออนุญาตเอาให้ทําไปถ้าอนุญาตทําให้ไปแล้วทะเลาะวิวาทกันทะเลาะวิวาทกันมีปัญหาหลวงพ่อก็จะสั่งหยุดทันทีเลยหยุดไม่ต้องทำํำได้เต่าเสียหมาหลวงพ่อก็จะพูดอย่างนั้น ได้เต่าอะไรคือได้เต่าคือได้งานแต่เสียพระเนนเสียคณะศรัทธาญาติโยมทะเลาะกันหลวงพ่อจะไม่เอานะเอถ้าจะไปทําไปทําที่อื่นตรงนีย้ยศหลวงพ่อจะดูมีแต่เบลกห้ามทนเองเราไม่ต้องการทางด้านวัตถุยิ่งกว่าจิตใจของพระเนนศรัทธาญาติโยมของเราถ้าวันศรัทธาญาติโยมของเราทะเลาะวิวาทกัน ถึงจะได้วัตถุลุลุล้ร้าโ อ, อ่าขึ้นมาก็ไม่เกิดประโยชน์ได้เต่าเสียหมาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นให้ฟังหลวงพ่อไม่ได้หนักใจสรุปแล้วนะมันจะทั้งขนาดไหนก็ขนาดนั้นแหละอันนี้ก็คือทางด้านวัตถุนะแจ้งให้เข้าให้ทราบนะแล้วก็วันนี้เป็นวันเดือนสิบสองเพน ที่หลวงพ่อได้ประกาศไปแล้วแล้วก็เป็นวันอุโบสถของพระถวยวันนี้เมื่อวานก็เป็นวันปงปงเป็นวันปงเป็นวันโกนปองผมแต่ก็วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ําเดือน12เป็นวันลอยกระทงเป็นวันสําคัญสมัยก่อนเขาคงจะเป็นวันรื่นองๆวันหนึ่งแต่ทางราชการปีนี้ทางก็ให้อยู่ในความสงบ เพราะว่าในหลวงของเราท่านได้สวรรคตรพวกเราพระสงฆ์ในก่อนลูกหลานจะสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาก็าไม่น่าจะถูกก็อยู่ในความสงบอยู่ในความสำรวมระวังสำรวมกายวาจาใจให้เป็นคนที่อยู่ในความสงบไม่ใช่ว่า เ, เคยสนุกสนานเพลิดเพลิ น, นยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกัน เราต้องรู้จักการละการสถานที่การอย่างนี้ควรปฏิบัติตนอย่างไรในขณะนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อบุคคลผู้ที่รัเคารพของเราที่ท่านได้จากไปอย่างนี้เราควรทำจิตใจคารวะอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกหมูเ่เหล่าในประเทศชาติ ควรกล่าวว่ากล่าวตักเตือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ในแผ่นดินผู้ใหญ่นี่ผู้เกี่ยวข้องะตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ใหญ่ในแผ่นดินนี่คิดว่าจะไงจึงจะถูกต้องเป็นธรรมจะพานำประเทศชาติอย่างไงให้รู้จักวางตัวสัมมาคารวะอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็พวกเราอยู่ใน พื้นแผ่นดินไทยเป็นพระศกนิกรของพระองค์เราก็ต้องฟังเอาฟังฟังเหตุฟังผลฟังเรื่องทีเ่เป็นเรื่องราวยังไงเขาห้ามแนละ้วถูกต้องไหมใช่ถ้าว่าเสียงสนั่นวันไวเหมือนตะกอนก็ไม่น่าจะถูกนะมันเหมือนกับลืมเนื้อหลุลืมตัวจนเกินไปนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะพี่น้องประชาชนพวกเราอยู่ในความสงบ สรุปก็คือให้ประกอบคุณงามความดีสำรวมกายว่าจาใจของตนสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอยาทำอย่าพูดที่หลวงพ่อได้ย้ำแล้วย้ำอีกนั่นแหละในเมื่อคณะที่สลีละผ้าศพของพระองค์ยังอยู่ในประเทศชาติที่เป็นร่มโพร่มใตของพวกเราประสงฆ์ใกรทั้งหลายก็ควรจะประกอบคุณงามความดี อย่าได้มีคำว่าขาโมยโวยโจนผิดกฎหมายบ้านเมืองให้สหํารวมกายวาจาใจของตนเองให้เป็นคนดีสักปีหนึ่งได้ไหมหเกิดมาทั้งทีชีวิตนะให้เป็นคนดีได้ไหมอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำไม่ดีกรรมไม่ดีน่าจะตามสนองบาปกรรมตามสนองน่าจะทำให้ตนเองเดือดร้อนไปนานเท่านานกรรมตัวนี้นะ ถ้ากร ะ, กระทาสิ่งไหนลงไปที่มันไม่ดีเนะี่ยมันจะติดพบติดชาตนะกนาจะทายาทโยมลูกหลานแต่หลูกพ่อได้อ่านในพระไตรปิฎกนะานางพัตตกาปิลานีาที่เป็นภรรยาของท่านพระมหากัตปะเถรนะในชาติหนึ่งในชาติหนึ่ง เ, เขาสร้างพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้า ตาหลวงพ่อจำไม่ปิดว่าเพราะพรุทธเจ้ากระสปะหรืออะไรนี่เน่ยเขาหล่อแผ่นทองคําเขาก็เรียงรายกันแต่นางคนนี้ก็คล้ายๆกับว่าขาดความขาดความสํารวมกายให้ายาว่าขาดความเ ค, า, มรม า, า, ค า, มารพขาดความสํารวมกายก็เดินข้ามเดินข้ามแผ่นอิฐ ท, ทองคําที่เขาจะถวายเขาที่เขาจะ อไปใซ้ในพระเจดีย์ไปสร้างพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าน่ะเพียงแค่นั้นละ่ะอบาปกรรมเกิดมาพบหน้าชาติหน้าต่อไปร่างกายของเขาเหม็นเลยทีเดเอวเหม็นร่างกายเหม็นจนไม่ได้จนไม่ได้แต่งงานพอเขาเข้าไปใกล้คนเหม็นใช่ไหมละ่ะมันเหม็นจนเข้าคนเข้าใกล้ไม่ได้นี่แหละอันนี้กับพอท่านรู้ต่อมา ท่านภูมียานนัตติยานรัตนารู้นะท่านก็แก้ไขท่านก็ให้สร้างสร้างอิดทองคําขึ้นมาก็เพื่อเชิดชูบูชาเพื่อทําบุญล้างบาปจุดนั้นจากนั้นลางนางร่างกายก็หายเป็นปกตินี่แหละเพียงแค่นี้มันก็ยังเป็นบาปกรรมติดภกติดชาติเพราะนั้นเรื่องบาปกรรมตัวนี้ให้พวกเราสารวมระวัง สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดไม่ใช่หวมปากก็พูดไปถ้าพูดไปแล้วมันเสียหายทำให้เป็นบาปกรรมติดจิดตจิตใจเป็นนมนานทีเดียวนั่นแหละอันนี้ทางในพระไตรปิฎกท่านพูดไว้ น, นะนางก็ติดพพติดชาติเป็นยาวนานหลายภพหลายชาติเหมือนก่อนที่จะรู้ได้เนี่ยถ้าว่าพวกเราทุกท่านนะทางว่าได้บาปกรรมอย่างนั้นขึ้นมาแล้ว ถ้าหาว่าไม่มีพระอารหันต์หรือพระผู้มีญาณทัศนชีะชี้ชนําชี้บอกชี้กล่าวให้กับพวกเรามันก็จะติดพบติดชาติเป็นนานเท่านานทีเดียวเพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทำก็ไปแล้วมันจะทำให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนกวามบาปกรรมแต่นั้นจะตามสนองปณ น, นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ่พูดทั้งนี้ท่านนั้นให้ฟังในหลักของพุทธศาสนากรรมคือการกระทําท่านเน้นหนักจุดนี้มากถ้าทํากรรมดีแล้วจะชั่วได้ยังไงถ้าทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบ พ, พุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทํามลิิตของท่านประวัติของแต่ละองค์ ประวัติของหลวงปู่มั่นประวัติของหลวงตามหาบัวประวัติหลงปู่เขาประวัติหลวงปู่ฟัน่นอประวัติหลวงปู่ชาประวัติหลวงปู่ดุลที่เราได้อ่านประวัติดูแล้วนะอ่ท่านสอนอย่างไรเราก็นํามาปรปับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราให้เราเป็นคนดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีเอเราอย่าทําอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนี่ยเอ นางบุพกรรมของนางปัตตกาพิลานีในเถรีประวัตินางชาติหนึ่งในนางเกิดมาได้ข้ามอิดทองคาที่เขาสร้างเพื่อเพื่อสร้างพระเจดีย์พระพุทธเจ้าแต่นางทะเลาท้าล่าไปข้ามไปเดินข้ามอิดก็บาปกรรมทนนั้นยังติดตามตัวเอง หลายภพหลายชาติเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าวันเราอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นในตัวของเราเราก็ควรจะน้อมลำลึกถึงเอกรรมตอนนี้มันมาจากไหนเราทํากรรมอันไหนไว้หนอเนี่ยจากนั้นเราก็เออปราบกรรมของข้าพเจ้าในอดีตชาติข้าพเจ้าได้ทํำกรรมสิ่งไหนไว้ที่มันไม่ดีข้าพเจ้าขอกราบคารวะนอบน้อม ขอโอโหสิกาบคารวะในกรรกรรมในการกระทํานั้นขอข้าพเจ้าน้อมรับยอมรับในสิ่งที่มันไม่ดีในอดีตชาติขออาโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะสํารวมประวังในสิ่งที่มันดีที่สุดเอ่ในตามที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาเห็นตามความถูกต้องเหมาะสม ข้าเพเจ้าจะคิดดีข้าเพเจ้าจะทำดีข้าเพเจ้าจะพูดดีเฮ้ยตรงในต้องตั้งใจไว้อย่างนั้นเสมอนะพวกเราท่านทั้งหลายนะนี่แหละต่อไปมองต่อไปก็ ด, ดีขึ้นเรื่อยๆนะ พ, พอไรพอ เ, เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเลยเนะี่ยะพูดตา ม, มอ멍เภอใจอยากจะว่าอะไรก็รหลวมปากก็ว่ากันไปเออโดยที่ไม่คิดไม่อ่านอันนั้นกรรมจะตามสนองนะอถ้า พบหน้าชาติหน้าหรือว่าชาตินี้ก็เถอะน ะ, เ, ะเมื่อเท่าพูดลงไปแล้วนะในเมื่อกลับตามสนองเราจะมาเสียใจเมื่อภายหลังเอ๊ะมันเป็นอะไรทำไมเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อเองหลวงพ่อมองตัวเองเหมือนกันนะคณะทาญาทโยมลูกหลานถ้าเสียงไหนที่มาเอ๊ะเราเราก็ไม่เคยคิดไม่เคยทำแต่ทำไมมันเรื่องนี้มันทาไมมันกรรมตนนัวไหนมันมาสนองค่าเนะ ข้าคงจะทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตแต่ชาติมั้งหลวงพ่อก็มองตนเองเหมือนกันนะอย่างเขาอิจฉาอย่างนี้เขาบอกเขาดูดูดาว่าเขาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ทำไมมันมีอย่างในหลวงท่านในหลวงท่านท่านไปนั่งรถเข็นไปจู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาท่านมองไปทางเจ้าแม่นาะเอ๊ะทไม ประสบในก่อทั้งหลายเราจะสร้างแต่คุณงามความดีเราก็ไม่ได้คิดอะไรให้กับประเทศชาติในทางจีหายมีแต่สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติทำไมเขาจึงอิจฉ้าเราเขาทาไมจึงพูดให้เราว่าอิจฉ้าเรามันเพราะอะไรเนาะท่านก็ยังท่านก็ยังมองตอนเองเหมือนกันนะท่านมองตอนเองสรุปแล้วก็คือพระ อ, องค์ท่านสมัยก่อนกคงจะไป หลายพวกลายชาตใช่ไหมละ่ะคงจะไปทําไปด่าไปว่าให้เขาเหมือนกันแหละอกรรมนั้นก็เลยมันมั น, ม, นมันติดพันมานี่ก็เหมือนกัน่ะพวกเราทุกทุกท่านนะหลวงพ่อเองหลวงพ่อก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อโงวันนี้ โ, โกเหมือนกันนะคณะสัตยาญาตโยมลูกหลานนะอมองดูตนเองเหมือนกันนะ่ะเออเราทําอะไรอต่อไปนี้เราจะพยายามทําให้ดีที่สุดอสิ่งไหนที่มันดีเราจะทําให้ดี แต่เมื่อเราทำดีแล้วคนอื่นยังพูดถึงอยู่เราก็ทิ้งว่าโอ้กรรมคงจะเป็นกรรมเก่าของเรา<ม>อดีตกรรมของเราเอาเถอะถึงอดีตกรรมก็เถอะข้าพเจ้าขอน้อมรับยอมรับด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอคารวะในกรรมที่กระทำไปนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่คิดไม่ทำไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ดีนี่แหละ อันนี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านถ้าพวกเราคิดไว้ในใจอย่างนี้อยู่เสมอนะหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจ ะ, จะเดินไปได้เรื่อยๆนะเพราะเรามองดูดดตนเองอยู่เราไม่หลงไม่ลืมตนเองไม่หลงตนเองไม่ลืมตนเองรู้เท่ารู้ทันเราจะปรับปรุงแก้ไขใกล้วาจายใจของเราให้ดีขึ้นเป็นลำดับลาดับนะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตีนเะนานะ